พระธรรมตามพระใยปิดกครั้งที่106เพราะฉะนั้นบุญที่เราสะสมไว้ดีแล้วก็จะทำให้เราไปเกิดในปฏิรูปรเทสวาสะเมื่อเราเกิดในปฏิรูปรเทสวาสะที่ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปรเทสวัสะเพราะมีบัณฑิตอยู่ด้วยเมื่อมีบัณฑิตอยู่ด้วยอาศัยบุญเก่าก็ทาให้เรานั้นมีใจศรัทธา พร้อมที่จะเข้าไปหาเข้าไปหาไปนั่งใกล้ถามว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญอันเราเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเข้าก็เกิดการทรงจําไปใช่ไหมเมื่อทรงจําก็เอาไปเพ่งไปไข้ควรไปตรึกไปพิจารณา เมื่อใครครวรพิจารณานั้นถ้าธรรมะเหล่านั้นเป็นของจริงก็จะทนต่อการเพ่งถ้าอริยสัจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปตรึกให้หัวแตกยังไงหาช่องว่ามันผิดคิดยังไงก็หาช่องว่ามันผิดตรงไหนจะไม่มีเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสัจจะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสัจจะยิ่งเพียรยิ่งเรียนรู้สติปัญญาก็ยิ่งเกิดอันความเพียรเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมขณะที่ความเพียรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมนานมานมากๆเขาก็จะสมควรแก่โลกุตระธรรมสมควรแกม่มรรคผลนิพพานสามารถที่จะเข้าถึงถึงความสิ้นทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่มีบุญก็อย่างว่าก็เหมือนเราๆอย่างเนี้ยบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับมากนักไม่ถึงกับเข้มนะนะเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะเจอบัณฑิตตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเมื่อเจอบัณฑิตหรือเจอพระธรรมคําสอนเข้าดัา้มจําไม่ค่อยได้อีก จำสูตรไหนจำได้ก็ยังไม่พอมีเวลาว่างเอาไปตรึกอีกว่ามันขาดไปทั้งหมดแล้วมันขาดไปตั้งหลายเรื่องเลยนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีก็จะได้เสริมต่อไปจวงวันอาทิตย์เป็นรายการศึกษาพระพุทธคุณก็คือศึกษาพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีพระคุณอย่างไร พอจะสรุปได้บ้างหรือยังว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอย่างไรบทที่เราคุ้นกันบ่อยเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสรรพนามถึงตัวพระองค์เองอะนะพระองค์จะพูดคำว่าเราตถาคตใช่ไหมพระตถาคตหรือว่าพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ได้ยินกันบ่อยอคำว่าตถาคตหมายความว่ายอย่างไร คำว่าตถาคตเนี่ยมีอยู่แปดความหมายด้วยกันความหมายในยะที่หนึ่งก็คือผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นความหมายในที่สองบอกผู้เสด็จไปอย่างนั้นเอาแค่สองข้อก่อนอคําว่าผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยคือพระองค์เสด็จมาอย่างไรกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่า วิปัสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิขีพระผู้มีพระภาคประนามวกะกุสันทะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามวโกนาคมณะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามวกัสสะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้เนี่ยทรงประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลาย พระ อ, องค์นั้นเสด็จมาด้วยอภินิหารอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาด้วยพระอภินิหารเหมือนกับพระผู้มีพระภาคองค์นั้นๆเหล่านั้นหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก่อนๆ น, นั้นทรงตั้งความปรารถนาแล้วก็บำเพ็ญอภินิหารบำเพ็ญบารมีสามสิบทัดบารมีสามสิบทัดอะไรบ้างนะ นึกออกนะฐทานบารมีสองศีลบารมีสามในคมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหกหกอะไรนะขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบุอเบขาบารมีโอ้เก่งมากเลยนะ ถ้าหากว่าผู้ที่จําบารมีสิบอย่างเหล่านี้ได้ถ้าตั้งคำถามว่าบารมีคืออะไรบารมีคืออะไรยังไม่ต้องตอบก็ได้เอาไปคิดก่อนบารมีคืออะไรบารมีมีความหมายว่าอย่างไรบารมีมีลักษณะอย่างไรบารมีมีกี่อย่างทำไมจึงเรียงทานเป็นต้นเป็นอันดับแรกเราคงได้ศึกษากันต่อไปแต่ให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคของเรานั้น พระองค์เสด็จมาด้วยพระบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นนับตั้งแต่พระวิปัสสีสิกีเวสโภกกุสันทะโภนาคมมะนักสปะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเหล่านี้เนี่ยพระองค์เสด็จมาด้วยบารมีสามสิบทัดอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาด้วยบารมีสามสิบทัดอย่างนั้นเหมือนกันหรือพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนๆทรงมาด้วยมหาบริจาคห้าประการ บริจาคบุตรบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคลูกบริจาคเมียนี่นะ่ะมาโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาโดยประการนั้นเหมือนกันก็คือชาติที่เป็นพระเวสสันดรทํามาแบบไหนก็คล้ายๆกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ น, นี้เสด็จมาได้ด้วยการบําเพ็ญโพธิปัจจยธรรมอย่างใดจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือประพฤติสติประธานสีสัมมาประธานสีอิทิบาสีอินทสียห้าพระละหา้าโพชฌงเจตอริยมรตมีองค์แปดนี่แหล ะ, สะเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็สเสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพนาว่าตะถาคตเพรา ะ, สะเสด็จมาอย่างนั้นคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป๊ะเลยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอ พระองค์เสมอกับผู้ที่ไม่มีผู้เสมอพระองค์นี่จะเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแต่จะไม่สาธารณะกับบุคคลเหล่าอื่นทีนี้คําว่าพระตถาคตเมื่อกี้เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นความที่พระองค์เนี่ยเสด็จมาอย่างนั้นเพราะพระองค์บําเพ็ญบารมีมาทั้งหมดพระองค์จึงเป็นพระอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมอิท่าตถาคตโลเกอุปันุอรหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมในสวดเมื่อกี้เนี่ย ว่าพระาธราคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเอาความหมายแต่และหัวข้อมากล่าวโดยย่อแต่ที่จริงแล้วความว่าอารหังก็ยังมีขยายต่อไปอีกสิบเอ็ดความหมาย อตตะทาท่านเรียบเรียงไว้ห้าความหมายดีกาท่านเรียบเรียงอีกหกความหมายรวมเป็นสิเอ็ดความหมายสัมมาสัมพุโทโธนี่ก็ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพ่ะ อ, องค์เองก็คือเน้นหัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องอริยสัจแต่ขยายรายละเอียดไปแล้วหาที่สุดไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งเป็นอนันตน์ในดฉะนั้นผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถแบบนี้เนี่ยเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาทีนี้ ก่อนที่ท่านจะบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยท่านมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรเรามาศึกษาถึงชีวิตความเป็นมาของท่านก่อนทําไมพระสัธรรมคําสอนของท่านจึงเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คนที่สอนคําสอนในลักษณะนี้ท่านมีแนวความคิดของท่านมาอย่างไรท่านมีรูปแบบมีความประพฤติเป็นมาอย่างไรรูปแบบความประพฤติแต่เก่า ก, ก่อนของท่านเรียกว่าจริยานะทรงมีจริยาอย่างไร มีความประพฤติมีความปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งที่เราศึกษากันในช่วงวันอาทิตย์นั้นกล่าวถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคนั้นในอดีตชาติสมัยที่ยังยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์ยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธภัยกรก็คือชาติที่เป็นสุเมธบัณฑิตตอนที่ยังไม่ได้รับพุทธภัยกรอันชีวิตก็แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกก็คือช่วงเป็นคารวาสกับช่วงเป็นฤาษีนักบวชธรรมดาตอนหลังก็ช่วงที่ได้รับพุทธพยากรแล้วสมาทานบารมีทั้งสามสิบทัศนในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นเราก็ได้กล่าวถึงสุเมศนั้นไปถึงไหนแล้วประวัติสุเมศเข้าป่าแล้วเนาะเข้าป่าออกบวชแล้วทีนี้ในช่วงที่ท่านออกบวชนี่เป็นอย่างไร ท่านก็บอกว่าพอท่านออกบวชก็ไปอยู่ในป่าหิมพานภูเขาชื่อว่าธรรมิกะที่ตรีศีทั้งหลายที่ประพฤติ ธ, ธรรมก็จะไปอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแล้วในภูเขาลูกนี้ก็มีกุติเสนาสนะมีที่จงกรมก็กล่าวถึงว่าที่จงกรมมีมีโทษอย่างไรบ้างจะต้องเว้นจากโทษของสถานที่จงกรมกี่อย่างโทษที่จงกรมมีกี่อย่างนะเท่าไหร่นะบอกใบก่อนนะเท่าไหร่ห้าอย่างนะ ไม่ใช่นับบินสอด้วยเป็นหกเลยไม่ใช่โทษที่จงกรมมีห้าอย่างแล้วก็หาให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเช่นยาวเกินไปสั้นเกินไปแคบเกินไปกว้างเกินไปที่มุงบงังรกครุงรังตรงกลางมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยที่ที่จงกรมต้องไม่เป็นอย่างนั้นใช้ผ้าที่เว้นจากโทษเก้าประการนะผ้าที่เรานุ่งห่มทั่วไปนี่มีโทษเก้าประการแล้วก็ไปนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้มีคุณ สิบสองประการแล้วก็เลิกการอยู่ที่บรรณศาลาอยู่กุฏิที่มุงที่บางเพราะกุฏิที่มุงที่บางนั้นมีโทษแปดประการแล้วจะเข้าไปสู่อยู่โคนไม้ประกอบด้วยคุณสิบประการวันนี้ก็ไปดูหน้าสิบแปดต่อไปนะในหน้าสิบแปดที่ต่อจากครั้งที่แล้วเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์นี้พอพิจารณาเห็นว่าเออโคนไม้เนี่ยนะ การอยู่ในโคนไม้มีคุณตั้งสิบอย่างท่านก็กำหนดเหตุมีประมาณเท่านี้วันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเพื่อภพิกษาเข้าไปบินทบาทหรือศีก็ไปบินธบาตครั้งนั้นพวกมนุษย์ในบ้านที่ท่านไปถึงก็ได้ถวายภพิกษาด้วยความอุตสาหะใหญ่เห็นรือศีมาก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะทำบุญกันท่านนั้นทาภัตคิจเสร็จแล้วก็มาอย่างอาสมก็คือไปฉันอาหารเสร็จนั่งคีดขึ้นว่า เราบวช ด, ด้วยคิดว่าเราจะได้อาหารก็าหาไม่ก็ทบทวนถึงตัวที่มาบวชนะเอ๊บวชมาหาอาหารหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงภารกิจที่ตัวเองเข้ามาธรรมดาว่าอาหารที่อร่อยนี้ย่อมยังความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นให้เจริญนี่ถ้าไปเจออาหารบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็มานะเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้ยเมื่อก่อนนี้เราเคยกินอาหารดีๆทั้งนั้น มานี่ก็คนเขาใส่อาหารมาไม่ดีหรืออาจจะตารบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้มานะเนี่ยกําเริบแก่กล้าขึ้นหรือไม่ถ้ากินแล้วก็ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักปัจเจกขณะกินแล้วประกอบด้วยโทษทําให้มัวเมาเพลิดเพลินหลงไรประดับประดาตกแต่งไปก็เชื่อว่ามีโทษและก็ถ้าหากว่าผู้ที่ยังติดใจมัวเมาอยู่ในอาหารเนี่ยที่สุดแห่งทุกเนี่ย ที่เป็นอาหารเป็นมูลเนี่ยไม่มีเพตอ น, นถ้าเรามโวแต่บริโภคอาหารเที่ยวกินข้าวปลาอาหารอยู่อย่างนั้นแล้วก็เมื่อไรเนาะจะทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะว่าในพระสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าคนพานคนพานคนพา น, คนพานคือคือคนยังไงนะคําว่าพานนี่คือคนอย่างไรคนพานก็คือคนที่ก่อกรรมทําชั่วทางกาย ก่กรรมทำความชั่วทางวาจาและก็คิดชั่วด้วยใจคนที่มีคุณลักษณะมีความชั่วสามอย่างคือกายวาจาใจคุณลักษณะอันนี้เรียกว่าคนพานคนพานผู้มีความชั่วด้วยกายวาจาใจติดใจในรสอาหารติดใจในรสอาหารก็ก่อกรรมทำชั่วแล้วก็เข้าไปสู่อาบายทุขติวินิบาตนะรกกนีมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่หลงไหลมากไม่รู้จักพิจารณาให้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และอุบายเครื่องสลัดออกจริงๆก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกได้อันนี้ฤๅษีเขาก็คิดไปเพราะฉะนั้นถ้ากระไรเราพึงเลิกละอาหารที่เกิดจากข้าวที่เขาหว่านและปลูกบริโภคผลไม้ที่หล่นเองเอฤๅษีนิใจเด็ดนะจะกินผลไม้แล้ว อย่างนี้แล้วก็บอกว่าจำเดิมแต่นั้นท่านก็ทำอย่างนั้นภาพเพียรอยู่พยายามในสัปดาห์หนึ่งก็ทำสมาบัติแปดและอภินญาห้าให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าเราเลิกละข้าวที่หวานที่ปลูกโดยเด็ดขาดมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอันมากเราเริ่มตั้งความเพียรในการนั่งการยืนและการเดินจงกรมที่โคนต้นไม้นั้น ภายในสัปดาห์หนึ่งก็บรรลุอภิญญาพละชนานาญในกําลังแห่งอภิน ญ, ญาห้าอภิญญาห้าคือหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพมีตาทิพธรรมโนมยิทธิรู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้อันนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอภิน ญ, ญาอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งยาเนี่ยแปลว่าความรู้ความรู้ยิ่งรู้เกินที่มนุษย์ธรรมดาสามันทั่วไปจะรู้ได้ เพราะฉะนั้นท่านก็ถึงฝั่งอภิน ญ, ญาห้าประการไม่มีข้อสุดท้ายคืออาสวัคคายางท่านไม่มีอยู่ข้อสุดท้ายนะท่านยังไม่แทนตลอดอริยสัจแต่อภิญญาอย่างอื่นเนี่ยท่านได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสุเมตดาบทบรรลุอภิญญาพระอย่างนี้แล้วให้เวลาล่วงไปด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติ เข้าหนึ e yup. ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสลับแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองย่างเงี้ยก็เข้ากลางมหาต้นเข้าต้นไปหากลางเข้าปลายไปหาต้นเข้าต้นไปหาปลายก็สลับกันไปอย่างเงี้ยทนชำนอนคล่องแคล่วล่องหมดเลยอ่ะนะใครเคยฝึกนับไหมหนึ่งสห้าหกเจดแปดปดเจ็ดหกห้าสสามสองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งะไรเนียแล้วห้าหก็ปดอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาถ้าลองข้ามดูสิหนึ่งสามห้าเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็แปดหก สี่สามสองเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาลักษณะเนี่ยนะคนที่เขาทําฌานได้คล่องเลยชํานาญในทุกฌานเขาก็จะมีการเข้าการออกสลับกันเ ค, คล้ากันไปในลักษณะนี้นะอภิญญาของเขาก็ชํานาญเมื่อชํานาญปั๊บเนี่ยเขาน้อนไปทำรีบทําอะไรก็ไม่ยากนักละเพราะความชนานํานาญวสีทั้งห้าประการนี้มันก็ใช้เวลาล่วงเลยไปกับความสุขเหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจาก เนคขมะไม่ควรกลัวความสุขที่เกิดจากความสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแต่ให้กลัวความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณห้าเพราะความสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งห้ามีโทษแต่ความสุขที่เกิดจากเนคขมะไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพึงให้รู้จักสุขให้รู้จักสุขว่าสุขควรเจริญควรเสพนะควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีสุขบางอย่างไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็มี กร ม, มาสุขไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเน่คัมมาสุกควรเจริญควรพ่อพูนทําให้มากและกันทีนี้ในช่วงนั้นเองนี่ก็กล่าวถึงฤาษีว่าโอ้โหออกบวชปฏิบัติได้ช้านได้อภิญญาห้าทีนี้ก็กล่าวถึงในเมืองรัมมะวะดีกล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งว่าพระศาสดาพระศาสดาในที่นี้หมายถึงถึงใครคําว่าศาสดานั้นเป็นชื่อของ พุทโธทัศพโลสัทธาสัพพัญยวรุตตโมนะคำว่าพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าทัศ พ, พโลก็คือพระทศพนก็คือพระพุทธเจ้าสัพพัญผู้รู้ยิ่งรู้เองก็พระพุทธเจ้าสัทธาก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแต่คําว่าสัทธามาจากสัตว์หรือครูผู้สอนสัตว์หรือศาสดาก็คือผู้สอนผู้สอนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นคําว่าพระาศาสดาก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้ากองเขาอุปมาเหมือนกับนายกองเกวียนนายกองเ ก, ก, กวียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นหัวหน้าพ่อค้าก็จะพากองเกวียนนี่ข้ามจากที่กันดาลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพื่อให้พ้นคางกันดารหัวหน้ากองเกวียนนั้นเรียกว่านายสัตว์วะหะพระผู้มีพระภาคของเราก็ลักษณะนั้นอ่ะพระองค์นี้ทรงเป็น นายกองเกวียนว่า ง, งั้นเป็นนายกเป็นผู้นําพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารให้ข้ามพ้นจากชารากันดารให้ผ้ามพ้นจากมรณะกันดารจากโสกะประิเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นศาสดาพเพื่อพาเหล่าสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกันดารทั้งหลายนั่นเองพระาศาสดาพระองค์นี้เนี่ยทรงพระนามว่าทีปังกร อย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้เมื่อสีอสงไขยแสนกลับที่แล้วพอองค์นี้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกถือปฏิสนธิการอุบัติตรัสรู้และประกาศธรรมจักรกระโลกกระธาตุมื่นหนึ่งแม้ทั้งสิ้นก็หวั่นไหวสะเทือนร้องลั่นไปหมดบุรพนิมิตสาสบสองประการก็ปรากฏขึ้นเดี๋ยวเราศึกษาไปถึงประวัติของพระผู้มีพระภาคของเราว่า ตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะมีบุพนิมิตอะไรเกิดขึ้นบ้างค่อยว่าตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าให้รู้ว่าปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะนับตั้งแต่มาประสูติออกบวชเนี่ยนะจนถึงตรัสรู้หรือประกาศธรรมจักรหรือแม้กระทั่งพระองค์ดับขันปรินิพานเนี่ยหมืนโลกถ้าจะหวั่นไววนะจะมีนิมิตสามสิบสองประการขึ้น สุเมธบัณฑิตนี้ให้เวลาล่วงเลยไปด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัตไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยทั้งไม่ได้เห็นนิมิตแม้เหล่านั้นด้วยที่เข้าสมาบัตินานๆเข้าใช่ไหมมัวแต่คิดถึงอารมณ์สมาบัติเนี่ยอารมณ์สมาบัติส่วนใหญ่แล้วเป็นบัญญัติเมื่อเป็นบัญญัตินี้ไม่รับรู้อะไรทั้งนอกสักอย่างเลยเพราะว่าขณะที่เข้าสมาบัตินั้นไม่เห็นมีตาก็ไม่ได้ใช้ตาเหมือนคนหลับนั่นแหละเหมือนคนหลับแล้วฝันก็อยู่ห่วงในจินตนาการของความฝันไป ฌานก็อันนี้ลักษณะเดียวกันแต่หลับแล้วอาจจะฝันด้วยบาปอากุศลแต่ฌานนี้ไม่เป็นบาปเป็นอาคุศลแล้วฌานเหล่านั้นก็จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ซะส่วนใหญ่เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ข้างนอกเลยปวดหัวตัวร้อนไม่รู้สักอย่างอะไรเงี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองจะไปยังไงฝนจะตกแดดจะออกข้าวจะขึ้นราคาหรือว่าน้ามันจะแพงไม่รู้สักอย่างอะ่ะก็อยู่ในนั้นเรื่องฌานซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบุพานิมิตคืออุบัติตรัสรู้ขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ย ฤาษีนี้ก็ยังไม่รู้เลยและไม่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสรุปเป็นคาถาว่าเมื่อเราบรรลุความสําเร็จในศาสนาเป็นผู้มีความชํานิชํานาญอย่างนี้พระชินเจ้าผู้เป็นโลกกนายกทรงพระนามว่าทีปังกรโลกก็คือหมู่สัตว์โลกอ่ะนะนายกก็คือผู้นําเป็นผู้นําสัตว์โลกนั่นแหละชื่อว่าทีปังกรเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเมื่อพระองค์ทรงถือกําเนิด อุบัติขึ้นตรัสรู้แสดงพระธรรมเทศนาเราเ อ, อิบอิ่มอยู่ด้วยความยินดีในฌานมิได้เห็นนิมิตทั้งสี่เลยไม่ได้เห็นนิมิตทั้งสี่ก็คือนิมิตในการปฏิสนธิในการอุบัติในการตรัสรู้ในการประกาศธรรมจักเลยไม่เห็นนิมิตสี่อย่างเลยมัวแต่มีความสุขว่างั้นเถอะทีนี้ในครั้งนั้นพระทศพลพระนามวธีปังกรมีขีณาศพสี่แสนรูป มีสี่แสนรูปเป็นบริวารห้อมล้อมแล้วเสด็จจาริกไปตามลําดับเสด็จถึงนครชื่อว่ารามกะรามกะก็คือรัมมานครนั่นแหละนครอันเป็นที่น่ารื่นรมเสด็จประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารพวกชาวรามกะนครในข่าวได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าส ม, มาณะทรงบรรลุอภิสัมโพธิอย่างยิ่ง อภิสัมโพธิเนี่ยนะอภิเนี่แปลว่ายิ่งสัมโพธิเนี่แปลว่าการตรัสรู้เพราะฉะนั้นคําว่าสัมโพธิบางทีก็หมายถึงสัพพัญญุตญาณความรู้อันไม่มีที่สุดของพระพุทธเจ้าบางทีคําว่าสัมโพธิก็เป็นชื่อของมัรคญาณเพราะฉะนั้นไอ้สัมโพธิในที่นี้ก็คือมัรคญาณและมัรคญาณและสัพพัญญุตญาณ น, นั่นเองว่าพระองค์นี้ พราพุทธเจ้าพระนามวะทีปังกรนี้ทรงถึงอภิสัมโพธิคือบรรลุสัพพัญญุตยานเป็นอย่างยิ่งว่างั้นทรงประกาศ ธ, ธรรมมาจากอันบวรบวรนี่ก็คือสูงสุดหรือประเสริฐนั่นเองสเสด็จจาริกไปโดยลำดับสเสด็จถึง ร, รมากาคนครแล้วสเสด็จประทรับอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหาร ต่างก็พากันถือเพสัตวมีเนยใสยเนยข้นเป็นต้นและผ้าเครื่องนุ่งห่มมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ณนะที่ใดก็หลั่งไหลพากันติดตามไปในที่นั้นๆเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ก็คือตามลักษณะของผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาก็จะเข้าไปหาใช่ไหม อาศัยศรัท ธ, ธาก็เลยทําให้เกิดการเข้าไปหาอาศัยการเข้าไปหาก็ทําให้นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ทําไงไปหาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ชวนคุยเดาชาน์คาถาแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านก็จะแสดงธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมเราก็เงี่ยสดลงสดับมาเออท่านแสดงว่าอย่างไรก็ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพอฟังพระธรรมเทศนาก็ทําให้เกิดศรัท ธ, ธาการตรัสรู้ธรรมเป็นต้นก็สมควรแก่ สมควรแก่อุปนิสัยสมควรแก่บุญญาบารมีของผู้ฟังแล้วก็ทูลนิมนต์ให้สเสวยในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเข้าไปเฝ้าตอนเย็นใช่ไหมเข้าไปเฝ้าในตอนเย็นตอนบ่ายเช้าก็เออนิมนต์ไปฉันเข้านิมนต์ไปฉันในเมืองพากันลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วกว็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นก่างก็พากันตระเตรียมมหาทานประดับประดานครตกแต่งถนนหนทางที่เสด็จมาของพระทศพล โทเนี่ยแปลแว่าอะไรนะโทษเนี่ยแปลแว่าสิบเนาะทนเนี่ยแปลแว่ากําลังกําลังทนอ่ะทั้งกําลังทั้งทนเนี่ยแปลแว่ากําลังเท่าเดิมนั่นแหละกําลังนี่เป็นภาษาไทยพลนี่ยเป็นภาษาบาลีนะกําลังทนเนี่ยนะก็คือแปลแว่ากําลังนั่นแหละพระทศพลก็คือพระพุทธเจ้าผู้มีกําลังสิบประการกําลังในที่นี้เป็นชื่อของพยานนะเช่นทานาธัญยานกำลังคือสามารถรู้ฐานะอัถานะ กำลังคือการรู้กรร ม, มสมาทาน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันกำลังของพระองค์คือสามารถที่พระองค์นั้นอะทรงมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยมีมีมอัธยาศัยแตกต่างกันสัตว์โลกนี้เป็นอเนกธาตุ น, นานาธาตุสัตว์โลกมีอธิมุตตต่างกันรู้ว่าหนทางข้อปฏิบัติเนี่ยทำให้สัตว์ไปถึงที่ใดที่ใดที่ใ ด, ดบ้างพระองค์นี่ทรงตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดทีท้วน แล้วพระผู้มีพระภาคยังรู้ถึงความแก่กล้าความแก่อ่อนแห่งฌานสมาธิวิโมกข์เป็นต้นรู้ความแก่ความอ่อนความยิ่งของอินทรีย์ศรัท ธ, ธาเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายสามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายและสามารถทํากิเลสให้หมดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทศพลยางเพราะฉะนั้นเรียกเอาพยานนั่นแหละมาตั้งชื่อมาตั้งชื่อเหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าก็เรียกเชื่อหัวหน้าอย่างเงี้ยนะ อันนี้เอาความสามารถมาตั้งเชื่อเอาความสามารถคือกําลังสิทธิประการนี่แหละมาตั้งเชื่อว่าทศพลก็มาจากบาลีว่าทสศพโลสัทธาทสศพโลก็คือผู้มีกําลังสิทธิประการนั่นเองทีนี้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขานิ่นถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเขามีความเข้าใจในพระพุทธคุณดีเขาก็ทําบุญเพื่อที่จะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในที่มีน้ํำซาะก็เอาดินถมในที่ที่ดิน เป็นเนินขึ้นก็ทำให้ราบเสมอโรยทรายในที่มีสีดังแผ่นเงินโปรยปลายข้าวตอกดอกไม้ตักธงชัยและธงแผ่นผ้าพร้อมด้วยผ้าย้อมสีต่างๆ่ารูปแบบแบบสมัยก่อนนะนะโหประดับประดาตัดต้นอ้อยต้นนี้มาประดับประดาตกแต่งผูกมีมีงานอะไรนะช่วงเดือนอะไรนะที่เขาทำเป็นซุ้มประตูห้ามใบมะพร้าวมาอะไรมาผูกมาพันหาเอาพวกข้าตอกดอกไม้เนี่ยนะ เดือนได้น ะ, ะเดือนนี่เปง น, นะจะเห็นโอ้โหแต่และบ้านนี่ประดับซุ้มประตูกันใหญ่เลยนะนั่นแหละอันนี้เขาเเหมือนการเข้าทำเพื่อต้อนรับเสด็จพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เอาต้นกล้วยหม้อน้ำเต็มไปด้วยดอกไม้เรียงรายไว้เป็นแถวในการนั้นสุเมตดาบทก็เหาะจากอาสมบทของตนมาโดยทางอากาศเบื้องบนของพวกมนุษย์เหล่านั้น ฤๅษีเนี่ยนะมีฌานก็ไมเดินนะเหาะเอาดีกว่าก็เหาะเลยนะฤๅษีนี่ก็เหาะผ่านมาตรงนั้นพอดีเลยนะก็เห็นพวกเขานี่ร่าเริงก็เลยพากันคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรกันนาะจึงลงจากอากาศยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งถามพวกเขาว่าเหาะลงมาเลยนะถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านพากันประดับประดาทางนี้เพื่อใครโอ้บ้านเมืองประดับประดาตกแต่งสง่ามเลยเนี่ยนะ ทำเพื่อใครนาะรับเสด็จพระราชาหรือเปล่าเอ๊แต่ก็ในเมืองอยู่แล้วพระราชาก็อยู่อยู่แล้วเอ๊ะประดับเพื่อใครมีใครเป็นคนพิเศษมาหรือเพราะเหตุนั้นท่านจึงญกล่าวว่าพวกมนุษย์มีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตพระตถาคตนี่มีกี่ความหมายนะเมื่อกี้แปดความหมายนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้มีวาทะทองแท้ผู้ตรัสรู้ธรรมะที่ทองแท้นะซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่ อ, ตอไป นนิมนต์พระตถาคตในเขตแดนแห่งปัจจันตะประเทศแล้วพาการชำระสะสารทางเสด็จดำเนินมาของพระ อ, องค์สมัยนั้นเราเราที่นี่คือฤาษีฤาษีก็บอกว่าเราเนี่ยออกไปจากอาสมของตนสะบัดภาพเปลือกไม้ไปมาแล้วนะเรียกว่าเหาะถ้าภาพเปลือกไม้ปลิวเลยนะทีนั้นก็เหาะไปทางอากาศเห่งนัน เรานี้เห็นชนต่างก็เกิดความดีใจต่างยินดีร่าเริงต่างปราโมดปราโมดเป็นชื่อของปีเตย่างอ่อนเรียกว่าปราโมดจึงลงจากท้องฟ้าไต่ถามพวกมนุษย์ทันทีว่ามหาชนยินดีร่าเริงปราโมดเกิดความดีใจพวกเขาชำระสะสางถนนหนทางเพื่อใครก็เลยสงสัยนะพวกมนุษย์ก็เลยเรียนว่าข้าแต่ท่านสุมเมศผู้เจริญ ท่านไม่ทราบอะไรพระทศพลทีปังกรทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วก็คือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐพระธรรมจักรคืออะไรพระธรรมจักรก็คือจักรแปลว่าล้อใช่ไหมกงล้อแห่งธรรมกงล้อแห่งธรรมก็คือประกาศคําว่าธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมะนั้นเราก็นึกถึง ล้อกวียนเหรอนะนึกถึงล้อกเกวียนเนี่ยล้อเกวียนนี่มีอะไรเป็นดุมมีอะไรเป็นซี่กรรมมีอะไรเป็นเป็นกลงคือวงรอบอคําว่าธรรมจักนั้นมีดุมนี้เป็นชื่อของโพธิปุรยธรรมสามสิบเจ็ดประการดุมนี้ก็คือโพธิปัุรยธรรมสามสิบเจ็ดประการซี่กรรมนี่มีสิบสองซี่ซี่กรรมสิบสองซี่เป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาท